บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยาแห่งประธรรมเทศนาที่ว่าด้วยมหาสติปัฏฐานในสูตรนั้นพระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงในรูปของเหตุและผลเป็นการกระตุ้นเตือนบุคคล ให้มองเห็นคุณประโยชน์แห่งการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักในมหาสติปัฏฐานสุตทั้งสี่ประการนั้นโดยเริ่มต้นที่เป้าหมายคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์หรือผู้ปฏิบัติเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็วชื่อว่า เป็นการก้าวล่วงความทุกข์ความโทมนัสความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันต่างๆโดยการที่ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งเข้าสู่ความมริสุตนั้นจะต้องบรรลุญาณธรรมอันประเสริฐและต่อแต่นั้นก็มีเป้าสูงสุดคือเพื่อพระนิพพาน แนวการแสดงพระธรรมเทศนาโดย น, ยนืยอนี้จึงมีลักษณะกระตุ้นเร่งเรา้าให้คนเกิดความสนใจใส่ใจที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นและในขณะเดียวกันพระธรรมเทศนาแต่ละช่วงก็มีความเป็นเหตุเป็นผลถึงกันเมื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นก็ช่วยให้ ก้าวล่วงหรือผ่านพน้นความสศกความ ร, ำร่ำรรำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจไปได้แต่ผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยการปฏิบัติสร้างเหตุจนบรรลุสิ่งที่เรียกว่าญาณธรรมเมื่อบรรลุยญาณธรรมแล้วตัวยญาณธรรมนั่นเองจะเป็นเหตุให้คนเข้าถึงความสงบระงับดับเจนคือมรรคผลที่ผ่าน แนวการแสดงประธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่สระดับด้วยกันระดับแรกท่านใช้คําว่าสรรดัชนาคือทรงชี้แจงแสดงเรื่องเหล่านั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งส่วนมากแล้วมักจะพูดถึงเหตุแล้วพูดพูดถึงผลก่อนจะพูดถึงเหตุทีหลังพึงดูตัวอย่างที่ทรงแสดงอริยศาสตร์ทั้งสี่ประการ ทรงชี้ความทุกข์ไว้โดยอเนกปริยายเพื่อบุคคลผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะมองเห็นว่าชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นก็เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ที่เกาะคุมกันอยู่เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ตนกำลังเผชิญอยู่อย่างซ้ำซ้ำซักษะต่อจากนั้น ก็ทรงแสดงถึงเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นด้วยคนมีชนท่อุตสาหะในการที่จะทําลายมูลเหตุแห่งความทุกข์ต่อจากนั้นจะทรงแสดงผลในอีกชุดหนึ่งคือนิโรธที่แปลว่าความดับทุกข์เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความดับเป็นความสุขอย่างยอดยริง จึงก็ตรงกันข้ามกับความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเมื่อผู้ปฏิบัติได้ศึกษาสับถึงภาวะเช่นนั้นก็จะเกิดความสนใจที่จะสแสวงหาถึงสาเหตุเพื่อเกิดผลเช่นนั้นต่อจากนั้นก็ทรงแสดงองค์อริยมรรคทั้งแปดประการลักษณะของสันทัศนานั้นจึงมีลักษณะชี้แจงหลักการ ได้วิธีการต่างๆออกไปอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดความเครือบแครงสงสัยหรือไม่แน่ใจของผู้ปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าได้ทรงตรวจดูอุปนิสัยคือพื้นฐานความพร้อมของผู้ฟังก่อนแล้วการแสดงประธรรมเทศนาจึงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นอัธยาศัยของผู้ฟัง เราสามารถจะฟังจะเรียนรู้จะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรใ้ชั้นต่อไปจะมีลักษณะที่เรียกว่าสมาลปนาคือมีการเชิญชวนมีการกระตุน้นมีการเร่งเรา้ามีการสร้างความสํานึกเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังซึ่งบางครั้งบางคราวก็มีการไต่อันดับไปจากง่ายไปหาที่ยาก จนทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ไปตามลำดับเป็นลักษณะการฟอกจิตใจฟอกอธัธยาศัยของบุคคลผู้ปฏิบัติให้อยู่ในสาภาพพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับใครมีความสามารถจะดำเนินไปตามขั้นตอนเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็จะทรงแสดงในลักษณะเชิญชวน ให้มีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่บันไดในขั้นนั้นๆประการต่อไปก็เรียกว่าสมุตเตศนาะคือมีการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาที่จะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติและเป็นสัมปหังสนา คือจะมีความรู้สึกเพลิดเพลินในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นยกตัวอย่างในชั้นสามัญ ท, ทั่วไปทีในชั้นของการทำบุญต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นนั้นก็ทรงแสดงถึงผลให้เห็นว่าคนที่ทำบุญทำกุศลเอาไว้ ย่อมจะเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วก็เพลิดเพลินเขาย่อมจะเพลิดเพลินในโลกทั้งสองก็มีความรู้สึกว่าบุญอันเราได้กระทําไปแล้วที่นี้จะเห็นว่าความเพลิดเพลินในโลกนี้ในโลกอื่นหรือหลังจากตายไปแล้วและความเพลิดเพลินที่บุคคลเหล่านั้นจะได้ในโลกทั้งสองนั้นก็เพราะการประกอบเหตุคือการกระทําบุญ ของบุคคลนั้นนั่นเองหรือว่าในชั้นของอานิสงส์ต่างๆที่บุคคลจะสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็สัมผัสได้ในปรโลกแต่จะชงชี้ส่วนที่สัมผัสได้ในปัจจุบันให้เห็นได้ชัดๆไปก่อนเช่นว่าการให้ทานจะทรงแสดงว่าคนที่ให้ทานนั้น เป็นที่รักของคนทั้งหลายคนเป็นอันมากย่อมคบหาสมาคมกับเขาเกียรติคุณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปจะเข้าไปในสมาคมใดก็เป็นผู้มีเกียตรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมนั้นซึ่งอานิสงส์ทั้งสี่ประการนี้เป็นอานิสงส์ที่ผู้เคยให้ทานให้ทานเป็นปกติ ก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของตัวเองต่อจากนั้นจึงทรงแสดงอนิสง์ในลักษณะที่เชื่อมต่อกันไ ป, ปผลบุญจะตามหล่อเลี้ยงตามเป็นที่พึ่งพานักอาศัยของบุคคลแม้ก่อนจะตายก็ไม่หลงทำกาลกิริยาตายตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ซึ่งมีทั้งการสดแสดงมีทั้งการเชิญชวนมีทั้งการกระตุ้นเร่งรา้าแล้วก็ให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติโดยการเริ่มลงทุนที่ไม่ค่อยมากนักแต่ผลนั้นอำนวยให้ทั้งในชาตินี้และในชาติาอื่นทั้งยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่เรียกว่าบารมีซึ่งบุคคลเก็บสะสมเอาไว้มากขึ้นมากขึ้นโดยลาดับ ก็จะทำให้สามารถยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นประนีตขึ้นจนถึงเป้าหมายสูงสุดในปณิพานคือปณิพานบางครั้งยังทรงแสดงให้เห็นถึงข้อปฏิบัติในลักษณะที่เป็นบันไดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทาให้บุคคลนั้นใกล้ปณิพานเข้าไปหรือว่าการเจริญเมตตากรรมาฐาน ก็จะส่งแสดงถึงผลที่บุคคลจะพึงได้รับจากการเจริญเมตตากรรมฐาหรือแม้แต่การสร้างพื้นจิตของตนให้กรอบด้วยเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงต่อตนเองโดยผลอ น, นิสงเหล่านั้นผู้ที่มีจิตกรอบด้วยเมตตาีิสูตรได้เห็นได้เข้าใจได้ในขณะที่ตนมีในเมตตานั่นเอง เทวดานอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันไรเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาย่อมรักษาคุ้มครองอ า, าวุธเครื่องประหารยาพิษไฟเป็นต้นไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้ถ้าหากว่าเป็นเมตตาโดยทั่วไปก็จะทรงแสดงในรูปที่ว่าไม่หลงตายเมื่อตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ ถ้าเป็นเมตตาในระดับกรรมฐานก็จะเพิ่มอานิสงส์ตอนทั้งท้ายออกไปว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วไม่หลงตายตายไปแล้วจะเข้าถึงพรหมโลกซึ่งผลอานิสงส์เหล่านั้นแต่ท้จริงก็เริ่มจากจิตที่กอบด้วยเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่ผลอานิสงส์มีลักษณะที่กระจายออกไปสืบต่อบสืบตอชาติไปโดยลาดับ นี่ก็คือเป็นการกระตุ้นเร่งเราเชิญชวนให้เกิดชันทอุตสาหะแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือในชั้นของสมาธิเช่นอนาปานสติกรรมฐานที่ปฏิบัติกันแพร่หลายกระสงเชี้ยเห็นผลอานิสงส์ที่ผู้ปฏิบัติถ้าเป็นสมาธิจริงๆก็เห็นได้สัมผัสได้ในขณะนั้นๆเป็นนั้นมาก เช่นว่าจิตจะมีความสงบอีกความประณีตอีกความเยือกเย็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆเมื่อเกิดขึ้นจะตกไปจากจิตในเวลารวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญา น, านาปานสติกรรมาฐานเป็นการตั้งสติระลึกดูลมอยู่ทําให้สติเกิดได้เร็วและเกาะอยู่กับลมได้นาน เมื่ออกุศลบังเกิดขึ้นสติก็ระลึกได้ว่านั่นเป็นอกุศลจะทําหน้าที่ปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลถ้าว่าเกิดขึ้นแกจิตแล้วปัญญาก็จะเข้าไปตัดอกุศลเหล่านั้นเป็นการทํางานที่ประสานกันของธรรมะสมข้อคือสติสัมปชัญญะและความเพียรของบุคคลผู้ปฏิบัตินั่นเองและผลอันดีสงที่สืบต่อไปก็คือผลจากการปฏิบัติสมาธิในชั้นนั้นๆ ซึ่งอา น, นิสงส์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าสามสี่ข้อข้างต้นเป็นอา น, นิสงส์ที่ขอเพียงแต่ปฏิบัติจน จ, จิตส ง, งบพอสมควรก็จะสัมผัสได้แต่ในชั้นหนึ่งนั้นถ้ามีการวิเคราะห์สวจสอบที่จิตของตนเองจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่บางเกิดขึ้นไปในจิตใจเช่นเมื่อก่อนอาจจะมีความไวต่ออารมณ์ เป็นว่าโกรธเร็วฉุนเฉียวง่ายเป็นต้นแต่เพราะการฝึกปรือการปฏิบัติที่กระทำสืบต่อกันมาโดยลําดับมากบ้างน้อยบ้างจะมีความสงบสูงขึ้นจิตใจจะมีความประณีตมากขึ้นจะมีความเยือกเย็นปรากฏภายในจิตการที่จะไวต่ออารมณ์ซึ่งมากระทบที่ก่อให้เกิดราคะก่อให้เกิดโทสะก่อให้เกิดโมหะ ถ้าก็อเกิดความประมาทก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสงบระงับดับอารมณ์เหล่านั้นออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเพียงบันไดชั้นต้นๆท่านั้นเองแต่ถ้ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองก็จะพบว่าตนได้สัมผัสผลเช่นนั้น น, นั้นขั้นตอนแห่งการปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งบุคคลสามารถสัมผัสได้เห็นได้เข้าใจได้ก็สำคัญว่าต้องหยุดตรวจสอบที่ใจของตัวเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์และใจของตนได้ดำเนินไปบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นผลเน้นอานิสง์อะไรก็ต้องไปวิเคราะห์ที่การประพฤติปฏิบัติของตน ว่ามีความถูกต้องมีการกระทําที่สืบต่อมีชั้นทะอุตสาหะมากพอที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งกฎในการวิเคราะห์เทียบเคียงก็ อ, อาจจะเทียบเคียงได้กับกฎเรื่องเหล่าอื่นเช่นการเรียนหนังสือการสอบปล่ายการทํางานการได้เงินการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างก็มีความสัมพันธ์อยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทํำลงไปญาณธรรมคือธรรมะอันประเสริฐ บางครั้งเป็นการแสดงในส่วนของเหตุบางครั้งก็เป็นแสดงในส่วนผลข้อนี้พึงสังเกตว่าสังฆคุณบทที่สามที่สวดว่ายายะปฏิปันโนภกวโตวสาวกสังโฆแปลว่าประสงษาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมบ้างเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานบ้าง ซึ่งในที่นี้ท่านหมายเอาความรู้เห็นตามหลักของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สืบเนื่องกันไปคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดกรนี้บุคคลผู้ศึกษาธรรมะจะพิจารณาเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า ความเป็นอยู่ในโลกก็ดีหรือแม้แต่ส่วนต่างๆของร่างกายก็ดีมีความเกี่ยวข้องถึงกันมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันอะไกันทั้งในด้านบวกและด้านลบเช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลรับประทานอาหารที่สแสลงเข้าไปหรือเป็นพิษเข้าไปก็กระทบกระเทือนทุกส่วนของร่างกายบุคคลนั้นและแม้แต่จิตใจของบุคคลนั้น และในขณะเดียวกันถ้ารับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ร่างกายก็กระทบกระเทือนทุกส่วนของความเป็นร่างกายในแง่ของสังคมก็มีความเกี่ยวข้องผูกพันมีการเคลื่อนไหวไปทั้งกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นถ้าก็มีการเริ่มขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งตัวอย่างเพิ่งเห็นได้ชัดๆเช่นว่ามีผู้ใหญ่ภายในครอบครัวตายขึ้นสักคนหนึ่ง กระบวนการที่เกี่ยวกับศพก็จะเคลื่อนไหวไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูกเทีนยนผ้าไรจีวออาหารการสิ่งที่จะรับประทานเป็นต้นตลอดถั้งตัดเสื้อผ้าใหม่ญาติพี่น้องในในสกุลวงเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นต้นน้ำมันน้ำท่าก็ขยับเคลื่อนไหวกันไปทั้งหมดนี่คือหลักของปัจจยการหรือปฏิจจสมบทที่เมื่อเริ่มจากจุดหนึ่งแล้ว ก็ขยับในจุดอื่นให้เคลื่อนไหวตามไปทุกกรณีปฏิจจสมุปาจึงกลายเป็นกฎของโลกจริงๆเพราะแสดงถึงความเป็นเหตุผลที่สืบต่อกันในช่วงหนึ่งเขาจะทำหน้าที่เป็นเหตุในช่วงหนึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นผลก็ขึ้นอยู่กับแต่ละขณะของอะไรเป็นอะไรในส่วนฝ่ายเกิดซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อลกนั้น พระเจ้าก็ทรงเริ่มมาที่อวิชชาที่แปลว่าความไม่รู้ซึ่งในชั้นของความรู้ก็คือความรู้ที่ไม่จริงเพราะอะไรพระทระงแสดงชั้นของความรู้ไว้เป็นสมระดับด้วยกันระดับแรกคือรู้จากประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินจมูกสูดดมลิ้นในลิ้มกายถูกต้องใจได้นึกคิดถึงอารมณ์เหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นความรู้ในชั้นหนึ่งที่เราใช้งานกันได้ที่ปฏิบัติกันได้ในชีวิตประจาวันของบุคคลในความรู้ในชั้นนี้ก็เพิ่มให้รู้เรื่องราวต่างๆขึ้นและจะต้องรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งศึกษามากเรียนเรียนมากยิ่งค้นคว้า ม, มากก็ต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นเป็นความรู้ที่ไม่หยุดเป็นความรู้ที่ต้องสแสวงหาอยู่เรื่อยไป ในชั้นของความรู้ท่านจึงถือว่ารู้ไม่จริงยังอยู่ในขอบข่ายของอวิชชาอยู่ความรู้ในชั้นที่สองที่ท่านใช้คําว่าตีรณะป ร, ะริญญาได้แก่การนําเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั่นเองเข้ามาคิดเข้ามาพิจารณาโดยเหตุโดยผลหาข้อยุติที่ถูกต้องสมเหตุสมผลของเรื่องราวหลักนั้น อย่างเช่นระดับงานการวิจัยซึ่งใช้กันอยู่ในโลกก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับนี้ก็นี่จะเห็นว่าความรู้ในระดับนี้ไม่มีส่วนในการที่จะบรรเทากิเลสอะไรได้มากมายนะักบางครั้งอาจจะใช้ความรู้ของตัวเองเป็นไปในทางเพิ่มกิเลสเพิ่มบาเพิ่มมกุศุณขึ้นมาอีกด้วยซ้งไปเช่นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปผลิตเป็นฝนเหลืองไปสารเคมีเป็นยาฆ่าทําลายเป็นต้นความรู้ชั้นนี้ที่จริงเป็นผลจากการวิจัยโดยซ้ําไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง จ, จิตใจของบุคคลไม่ได้ลดความเข้มเกรียมความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลก็ยังอยู่ในขอบข่ายของอวิชชาอยู่นั่นเองความรู้ชั้นที่สมซึ่งเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติ ธรรมะทางพระพุทธศาสนาคือความรู้ระดับที่เรียกว่าปาณะปริญญาคือรู้แล้วก็ละได้จะเห็นได้ว่าความรู้ในชั้นนี้ในส่วนหนึ่งก็ยังดับอวิชชาไม่หมดแต่ว่ามีผลในการขจัดในการขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มีความสงบมีความสะอาดมีความประณีตขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตน เพราะในชั้นของอวิชชาที่สมบูรณ์คือละได้สมบูรณ์จริงๆนั้นแม้แต่พระอริยบุคคลสามระดับแรกทั้งก็ละไม่ได้ต้องเป็นระดับพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นบันไดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อละอวิชชาจึงเป็นการละไปโดยลําดับเป็นการปฏิบัติโดยลําดับมีลักษณะเหมือนการขึ้นบันไดคือขึ้นไปโดยลําดับในชั้นแรก ก็เริ่มตายอันดับต่ำๆไปก่อนเป็นเรื่องไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมที่บุคคลใช้กันอยู่ในชีวิตประจวันเรื่องทั้งหมดที่ทรงสอนให้รู้ให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลจากตัวเองเพราะอยู่ในตัวของบุคคลแต่ละคนแล้วอวิชานั้นแปลว่าความไม่รู้กันสวดมากโดยทั่วๆไป ก็หมายถึงโมหะความหลงที่รู้ไม่จริงในชั้นของอารมณ์ก็ออกมาในรูปของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวแม้จะพุทธทางสนังกระฉามิกันอยู่แต่ก็เกิดเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในคุณของพระพุทธเจ้าในประวัติของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวยุ่งขจิงสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเป็นต้น นี่คือลักษณะของอวิชชาที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมาทำปฏิกิริยาต่อจิตใจของบุคคลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในลักษณะเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของฟุ้งซ่านซัดใ ส, สของจิตใจควบคุมทิศทางของจิตใจไว้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนควันไฟที่ถูกลมพัดหมุนไปเรื่อย เ, อยเวลาออกมาข้างนอก ในเชิงพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็ทำให้พูดผิดเกระทำผิดเป็นทุจริตด้วยประการต่างๆนี่คือสายตรงของเขาเป็นสายตรงของอวิชาแต่แม้กิเลสคือโลพาทโทสะก็เป็นกิ่งใหญ่ของอวิชาเช่นเดียวกันข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือทำลายอาวิชาเพื่อสร้างวิชา วิชาเกิดขึ้นมากเท่าไหร่คือความรู้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่อวิชาก็จะถูกขัดเกลาจะถูกลดลงไปโดยลำดับดังที่เคยยกตัวอย่างอาวิชาเหมือนแสงสว่างอ <c oughs> วิชาเหมือนแสงสว่างอาวิชาเหมือนความมืดซึ่งเป็นการปฏิบัติขัดเกลาโดยการสร้างแสงสว่างขึ้นจุดประทีพขึ้นในจุดหนึ่งก็ทำหน้าที่กระจัดความมืดในจุดนั้น แล้วก็ความมืดมากก็จุดกันไปเรื่อยๆสว่างกันไปเรื่อยๆเป็นการลดปริมาณของความมืดลงโดยลำดับเช่นเดียวกันในยามใดที่ปริมาณของแสงสว่างเต็มที่ยามนั้นก็หมายความว่าความมืดก็ถูกขจัดไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่การปฏิบัติเพื่อขจัดก็เป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะก้าวขึ้นบันไดเช่นกับที่กล่าวแล้ว ท่านจำแนกอวิชชาออกไปเป็น8ปประการคือความไม่รู้ในอริยสัจสีคำว่าความไม่รู้ในอริยสัจสีนั้นพึงเข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าไม่รู้โดยปริยัติคือการฟังไม่รู้โดยการปฏิบัติคือการลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่พระองค์แสดงเอาไว้แต่เป็นความไม่รู้ที่แท้จริงก็ในตัวผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความไม่รู้ระดับวิ ช, ชาหรือระดับสิ่งที่เรียกว่าญาณเพราะวิชเพราะอาวิชชานั้นตรงกันข้ามกับวิ ช, ชาดังกล่าวแล้วดังนั้นแม้โดยปริยัติที่บุคคลพูดกันได้ว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็คืออริยสัจหรือสามารถคิดตามไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าทุกเป็นข้อที่ควรกําหนดรู้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิด เกิดมาจากกฎของธรรมชาติคือตัณหาทั้ง3ประการเรารู้ตัณหา3ประการลักษณะสภาวะของตัณหาได้ชัดเจนทั้ง3ประการสามารถอธิบายนิโรธได้โดยหลักปริยัติคือหลักที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลักของอริยมรรคทั้ง8ประการว่ามีขอบข่ายมีเนื้อหามีสาระ ท, ที่ทรงแสดงไว้อย่างไรก็ตามในชั้นนี้ก็ยังถือว่าเต็มความไม่รู้อยู่นั่นเอง เพราะอะไรเพราะยังไม่มีผลในการทำลายอาวิชชาออกไปจา ก, ก จ, จิตใจในส่วนของยานความรู้หรือปัญญาความรอบรู้และความไม่รู้ในอดีตคือหมายความว่าความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นปัญหาที่มักพูดกันว่าเป็นปัญหาโลกแตกพูดถึงชาติก่อนพูดถึงชาติหน้าแล้วก็ตกเฉียงกัน ต่างคนต่างก็เฉียงกันซึ่งบางครั้งบางคราวก็เป็นลักษณะของตาบอดครามช้างอย่าง ท, ที่ทรงยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นความไม่รู้เหล่านี้ในชั้นของปริยัติเราก็พอรู้กันอยู่เพราะมีหลักฐานมีตำหรับตำราแสดงเอาไว้ในที่นั้นๆเจ้าความว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง คล้ายๆกับรู้ตำลับตําราที่เขาบอกว่าอาหารอย่างนั้นใช้เครื่องปรุงอย่างนั้นมีสัด ส, ส่วนอย่างนั้นอย่างนั้นเอาอะไรก่อนอะไรหลังไว้ต้นแต่ยังไม่ได้ปรุงขึ้นหรือแม่ปรุงขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้รับประทานก็จะชื่อว่ายังไม่รู้รสของอาหารนั้นฉันใดก็ดีความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งในชั้นนี้บางครั้งใช้คําว่าเบือเบ้องต้นเบื้องปราย ไม่รู้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นแห่งอะไรเบื้องต้นแห่งชีวิตแห่งสังสารวัฏว่าตั้งต้นมาจากไหนแต่ในแง่ของยานปัญญาที่ส่งแส ด, แดงมันมีลักษณะเป็นวงกลมที่หมุนกันไปคือสืบสาวไปเท่าไหร่ก็เจอวิชากับภาวะตันหาเป็นเหตุเป็นผลกันก็สรุปว่ามันเริ่มต้นมาที่อวิชาคือความไม่รู้แล้วก็เริ่มเป็นขบวนการออกมาโดยลำดำับ คามไม่รู้ประการต่อไปก็คือไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเมื่อลราวโดยสรุปง่ายๆจริงๆอวิชาก็คือกลุ่มของกิเลสทั้งหลายที่มีชื่อต่างๆออกไปตามลักษณะตามอาการของกิเลสเหล่านั้นนั่นเองการปฏิบัติเพื่อยาเยธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อขจัดความไม่รู้หรืออวิชาให้ออกไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้น ตามสมควรแห่งกา ร, รปฏิบัติต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสงบจืบต่อไป